วิโมกษมีในขณะต่างกันด้วยอาการเท่าไหร่ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการเท่าไหร่คือวิโมก่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการสี่อย่างย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการเจ็ดอย่างวิโมก่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการสี่อย่างอะไรบ้างคือ1ด้วยสภาวะเป็นใหญ่ 2. ด้วยสภาวะตั้งมั่นสด้วยสภาวะน้อมจิตไป ด้วยสภาวะนำออกไปวิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะเป็นใหญ่เป็นอย่างไรคือเมื่อบุคคลมนุษย์การโดยความไม่เที่ยงอันนมิเตาวิโมกเป็นใหญ่เมื่อมนุษการโดยความเป็นทุกข์อปนิหิตาวิโมกเป็นใหญ่เมื่อมนุษการโดยความเป็นอนัตตาสุญญาวิโมกเป็นใหญ่วิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะเป็นใหญ่อย่างนี้ วิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะตั้งมั่นเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้มนัสสการโดยความไม่เที่ยงย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยอํานาจแห่งอนิมิตตวิโมกผู้มนัสสการโดยความเป็นทุกข์ย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยอํานาจแห่งอปะนิหิตตาวิโมกผู้มนัสสการโดยความเป็นอนัตตาย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยอํานาจแห่งสุญญตาวิโมกวิโมกสามย่อมมี ในขณะต่างกันด้วยสภาวะตั้งมั่นอย่างนี้วิโมก3าย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะน้อมจิตไปเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้มนัชกการโดยความไม่เที่ยงย่อมน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งอนิมิตตวิโมกผู้มนัชกการโดยความเป็นทุกขย่อมน้อมฉีดไปด้วยอำนาจแห่งอปนิหิตตวิโมกผู้มนัชกการโดยความเป็นอนัตตา ย่อมน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งสุญตะวิโมกวิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะน้อมจิตไปอย่างนี้วิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะนำออกไปเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลผู้มนัสการโดยความไม่เที่ยงย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับด้วยอำนาจแห่งอนิมิตาวิโมกผู้มนัสการโดยความเป็นทุกข์ ย่อมนำจิตออก s s ak human ไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับด้วยอํานาจแห่งอปะนิหิตะวิโมกผู้มนัสจิการดโดยความเป็นอนัตตาย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับด้วยอํานาจแห่งสุญญตาวิโมกวิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยสภาวะนําออกไปอย่างนี้วิโมกสามย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการสีอย่างนี้ วิโมกษ์สามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการเจ็ดอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งด้วยสภาวะประชุมลงสองด้วยสภาวะบรรลุสมด้วยสภาวะได้สี่ด้วยสภาวะรู้แจ้งหด้วยสภาวะทําให้แจ้งหด้วยสภาวะถูกต้องเจ็ดด้วยสภาวะตรัสรู้วิโมกษ์สามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุด้วยสภาวะได้ด้วยสภาวะรู้แจ้งด้วยสภาวะทาให้แจ้งด้วยสภาวะถูกต้องด้วยสภาวะตรัสรู้เป็นอย่างไรคือบุคคลผู้มณนาการโดยความไม่เที่ยงย่อมพ้นจากนิมิตเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอนิมิตตวิโมกบุคคลพ้นจากอารมณ์ใดย่อมไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอัปนิหิตะวิโมกบุคคลไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ใดเป็นผู้ว่างจากอารมณ์นั้นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นสุญตาวิโมกบุคคลว่างจากนิมิตใดเป็นผู้ไม่มีนิมิตเพราะนิมิตนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอนิมิตะวิโมกวิโมกสามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลงด้วยสภาวะบรรลุ ด้วยสภาวะได้ด้วยสภาวะรู้แจ้งด้วยสภาวะทำให้แจ้งด้วยสภาวะถูกต้องด้วยสภาวะตรัสรู้อย่างนี้บุคคลผู้มานาจุดการโดยความเป็นทุกย่อมพ้นจากปณิธิความตั้งมั่นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอปนิหิตะวิโมกบุคคลไม่ตั้งอยู่ในทุกใดเป็นผู้ว่างจากทุกนั้น เพราะเหตุนั้นวิโมโกนั้นจึงเป็นสุญญตะวิโมโกบุคคลว่างจากนิมิตใดเป็นผู้ไม่มีนิมิตเพราะนิมิตนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมโกนั้นจึงเป็นอนิมิตตะวิโมโกบุคคลไม่มีนิมิตเพราะนิมิตใดไม่ตั้งอยู่ในนิมิตนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมโกนั้นจึงเป็นอ ป, ปินิหิตะวิโมกวิโมโกสามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุด้วยสภาวะได้ด้วยสภาวะรู้แจ้งด้วยสภาวะทำให้แจ้งด้วยสภาวะถูกต้องด้วยสภาวะตรัสรู้อย่างนี้บุคคลผู้มนานัดการโดยความเป็นอนัตตาย่อมพ้นจากอภินิเวศความยึดมั่นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นสุญญตาวิโมกบุคคลว่างจากนิมิตใดเป็นผู้ไม่มีนิมิตเพราะนิมิตนั้น เพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอนิมิตาวิโมกบุคคลไม่มีนิมิตเพราะนิมิตใดไม่ตั้งอยู่ในนิมิตนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นอปนิหิตาวิโมกบุคคลไม่ตั้งอยู่ในนิมิตใดเป็นผู้ว่างจากนิมิตนั้นเพราะเหตุนั้นวิโมกนั้นจึงเป็นสุญญตาวิโมกวิโมกสามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยสภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุด้วยสภาวะได้ด้วยสภาวะรู้แจ้งด้วยสภาวะทาให้แจ้งด้วยสภาวะถูกต้องด้วยสภาวะตรัสรู้วิโมกษามย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้วิโมกมีอยู่ธรรมที่เป็นประธานมีอยู่ธรรมที่เป็นประธานแห่งวิโมกมีอยู่ธรรมที่เป็นค้าศึกต่อวิโมกมีอยู่ธรรมที่อนุโลมตามวิโมกมีอยู่ วิโมกขวิวัตมีอยู่การเจริญวิโมกมีอยู่ความสงบระงับแผงวิโมกมีอยู่วิโมกอะไรบ้างคือหนึ่งสุญญะตาวิโมกสองอนิมิตาวิโมกสามอปินิหิตาวิโมกสุญญะตาวิโมกเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญะตาวิโมก ทุกขานุป ma. ัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าสุขเพราะเหตุนั้น <però> จึงชื่อว่าสุญเตาวิโมกข์อนาตานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญเตาวิโมกข์นิพพานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่านันทิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกข์วิราคานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าราคะ เพราะเหตุนั стороны, ้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกนิโรธานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าสมุทัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกปตินิสักานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าอาถานะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกอานิมิตานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่านิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมก อภินิฮิตานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศว่าปณิทิเพราะเหตุนั้นจ win. ึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกสุญญตานุปัสนาญาณพ้นจากอภินิเวศทุกอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกอานิจานุปัสนาญาณในรูปพ้นจากอภินิเวศว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกสุญญตานุปัสนาญาณในรูป พ้นจากอภินิเวศทุกอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกอานิจจานุปัสสนาญานในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุอานิจจานุปัสสนาญานในชราและมรณนะพ้นจากอภินิเวศว่ า, razor, าเวทวีท่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมกสุญญตานุปัสสนาญานในชราและมรณนะพ้นจากอภินิเวศทุกอย่าง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุญญตาวิโมนี้เป็นสุญญตาวิโมกอานิมิตาวิโมเป็นอย่างไรเพื่ออานิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าเที่ยงพเพราะเหตุนั้นจนึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าสุขพเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอานิมิตาวิโมอนาตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าอัตตา เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกนิพิทานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่านันทิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกวิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกนิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าสมุทัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมก ปตินิสจักคานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่า sort of อาทานะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกอานิมิตานุปัสสนาญาณพ้นจากสัพนิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกอปนิหิตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าปณิธิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกสุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากนิมิตว่าอภินิเวส เพราะเหตุน so ั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมกอานิจานุปัชนาญาในรูปพ้นจากนิมิตว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมกอานิมิตานุปัชนาญาในรูปพ้นจากสัพนิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมกอปนิขิตานุปัชฌนาญาในรูปพ้นจากนิมิตว่าปนิธิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตวิโมก สุญญ า, านุปัสสนาญานในรูปพ้นจากนิมิตว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมกอา น, นิจานุปัสสนาญานในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุอา น, นิจานุปัสสนาญานในชราและมรณะพ้นจากนิมิตว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตาวิโมก อ น, นิมิตานุปัสนาญาเนชราและมรณะพ้นจากสัพนิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมกอปนิชิตานุปัสนาญาในชราและมรณะพ้นจากนิมิตว่าปนิธิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมกสุญญานุปัสนาญาในชราและมรณะพ้นจากนิม <im caffeine> <im> ิตว <athan>. ่าอภิน <lave> <im> ิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตาวิโมก นี้เป็นอนิมิตตวิโมกอัปนิหิตตาวิโมกเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตตาวิโมกทุกขานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิว่าสุขเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตตาวิโมกอนาตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิว่าอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตตาวิโมก นิพพานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่านันทิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปินิหิตาวิโมกวิราคานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปินิหิตาวิโมกนิโรธานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าสมุทัยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปินิหิตาวิโมกปฏินิสัคคานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิธิว่าอาทานะ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกอนิมิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิว่านิมิตเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกอปนิหิตตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิทุกอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกสุญญตานุปัสสนาญาณพ้นจากปณิทิว่าอภิณิเวสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโม อนิจจานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากปณิทิว่าเที่ยงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกอปนิหิตานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากปณิทิทุกอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกสุญญตานุปัสสนาญาณในรูปพ้นจากปณิทิว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตะวิโมกอณิจานุปัสสนาญาณในเวทนา ในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุูก อ, อนิจจานุปัสสนาญาณในชาราและมรณะพ้นจากปณิทิว่าเทียมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตาวิโมกอปนิหิตานุปัสสนาญาณในชาราและมรณะพ้นจากปณิทิทุกอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปนิหิตาวิโมสุญญานุปัสสนาญาณในชาราและมรณะ พ้นจากปณิธิว่าอภินิเวศเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอปินิหิตะวิโมนี้เป็นอปินิหิตะวิโมนี้เป็นวิโมธรรมที่เป็นประธานเป็นอย่างไรคือธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้เป็นกุศลไม่มีโทษเกิดในภาวนานั้นนี้เป็นธรรมที่เป็นประธานธรรมที่เป็นประธานแห่งวิโมกเป็นอย่างไรคือนิพพานซึ่งเป็นความดับ เป็นอามรมณ์ของธรรมเหล่านั้นนี้เป็นธรรมที่เป็นประธานแห่งวิโมกธรรมที่เป็นค่าศึกต่อวิโมกเป็นอย่างไรคืออกุศลมูลสามทุจริต ส, สาอกุศลกรรม แ, แม่ทุกอย่างเป็นค่าศึกต่อวิโมกนี้เป็นธรรมที่เป็นค่าศึกต่อวิโมกธรรมที่อนุโลมตามวิโมกเป็นอย่างไรคือกุศลมูลสาสุจริตสามุญสมรธรรมแม่ทุกอย่างเป็นธรรมที่อนุโลมตามวิโมก นี้เป็นธรรมที่อนุโลมตามวิโมกวิโมกขวิวัตเป็นอย่างไรคือสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตญานวิวัตวิโมกขวิวัตสัจจวิวัตพระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิวัตเมื่อคิดย่อมหลีไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวัฏเมื่อรู้แจ้งย่อมหลีไป เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจิตตาวิวัตเมื่อกระทําญาญย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าญาณวิวัตเมื่อสละย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิโมคขวิวัตย่อมหลีกไปในสภาวะแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรดมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรดมีเจโตวิวัต ในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรใดมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตรเจโตวิวัตในขณะแห่งมรใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีญาณวิวัต ในขณะแห่งมรดใดมีญานวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตรเจโตวิวัตจิตตวิวัตญยานวิวัตในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีวิโมขวิวัตรในขณะแห่งมรดใดมีวิโมขวิวัตรในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัต ญาณวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตญาณวิวัตวโมควิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรดใดมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตาวิวัตญาณวิวัตวิโมขวิวัตนี้เป็นวิโมขวิวัต การเจริญวิโมกเป็นอย่างไรคือการปฏิบัติการเจริญการทําให้มากซึ่งปฐมฌานการปฏิบัติการเจริญการทําให้มากซึ่งทุติยะฌานการปฏิบัติการเจริญการทําให้มากซึ่งตติยะฌานการปฏิบัติการเจริญการทําให้มากซึ่งจตุทชฌานการปฏิบัติการเจริญการทําให้มากซึ่งอาคาสารัญจายตนะสมาบัติการปฏิบัติ การเจริญการทำให้มากซึ่งวิญญาณัญจา ย, ยตนาสมาบัติซึ่งอากีนัญญายตนาสมาบัติการปฏิบัติการเจริญการทำให้มากซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติการปฏิบัติการเจริญการทำให้มากซึ่งโสดาปฏิมักการปฏิบัติการเจริญการทำให้มากซึ่งสกัฏาคาไม่มักการปฏิบัติการเจริญ การทำให้มากซึ่งอนาคาไม่มากการปฏิบัติการเจริญการทำให้มากซึ่งอรหัตมักนี้เป็นการเจริญวิโมกความสงบประ ง, งับแห่งวิโมกเป็นอย่างไรคือการได้ปฐมฌานหรือวิปากแห่งปฐมฌานการได้ทุติยฌานหรือวิปากแห่งทุติยฌานการได้ตติยฌานหรือวิปากแห่งตติยฌานการได้จตุตชฌาน กาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญญายตนะสมาบัติอากินัญญายตนะสมาบัติการได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหรือวิปากแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติโซดาปฏิพนแห่งโสดาปฏิมักสกะทาคามิผลแห่งสกะทาคามิมักอนาคามิผลแห่งอนาคามิมักอรหัตผลแห่งอรหัตมัก นี้เป็นความสงบระ ง, งับแห่งวิโมกวิโมกขะกถาจบตาติยะพาณวาระจบหคติกถาว่าด้วยคติ ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุตติเหตุทุกะปฏิสนธิขณะความเกิดขึ้นแห่งปฏิสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติยมหาศาลพราหมณ์มหาศาลพระหัปดีมหาศาลเทพชั้นกลางมาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจร มีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรคือในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุตความเกิดขึ้นแห่งปฏิสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุแปดประการในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติยะมหาสาลพราหมณ์มหาศาลข้าบดีมหาศาล เทพชั้นกามวจรม to ีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุแปประการความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุแปประการความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุแปประการในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณสัมปยุตติเหตุทุกขปฏิสนธิขณะความเกิดขึ้นแห่งปฏิสมบัตมีได้ เพราะปัจจัยแห่งเหตุแต่ประการเป็นอย่างไรคือในชวา น, นาขณะแห่งกุศ ล, ลกรรมเหตุสามประการฝ่ายกุศลเป็นสหาชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม่เพราะกุศลโมลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในขณะติดใจเหตุสองประการฝ่ายอกุศลเป็นสหาชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะอกุโสลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในปฏิสนธิขณะเหตุสามประการฝ่ายอพยากฤตเป็นสหชาติปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าววา่าแม่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในปฏิสนธิขณะ เป็นจักขันเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปสี่เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์ประกอบแห่งชีวิตสามประการเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัย เป็นวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามและรูปเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะธรรมสิประการนี้เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญาปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะอรูปขันธ์สี่เป็นสหชาตาปัจจัย เป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินรีห้าเป็นสหชาตปัจจัยเป็นัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหษานประการเป็นสหชาตปัจจัยเป็นัญญมัญญะปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณานามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญบัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตต์ปัจจัยในปฏิสนธิขณาทำสิบสีประการนี้เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญบัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตต์ปัจจัยในปฏิสนธิขณาทำยี่สิประการนี้เป็นสหชาตปัจจัย เป็นอัญญะมัญญะปัจจัยเป็นนิสยะปัจจั ย, เ ป, นน ย, ปจจยเป็นวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะที่เป็นยานสัมปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปั จ, จัยแห่งเหตุแปประการนี้ในปฏิสนธิขณะความเกิดขึ้นแห่งคติยะมหาศาลพราหมณะมหาศาลขะหะดีมหาศาล ทเทธเชนกามาวจรมีได้เพราะเหตุปัจจัยแห่งเหตุแปดประการเป็นอย่างไรคือในชวนะขณะแห่งกุศลกรรมเหตุสามประการฝ่ายกุศลเป็นสหาชาติปัจจัยแกเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในขณะติตใ จ, จเหตุสองประการ ฝ่ายกาอากุศลเป็นสหาชาตปัจัยแกเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะอากุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในติเฮตุกะปฏิสนธิขณะเหตุสามประการฝ่รายอัิยากริตเป็นสหาชาตปัจัจแกเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะนามรูปเป็นปัจัจวิญญาณจึงมี แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในปฏิสนธิขณะเบญจขันธ์เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะมหาพูิรูปสี่เป็นสหชาติปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์ประกอบแห่งชีวิตสามประการ เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามและรูปเป็นสหชาตปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะธรรมสิบสีประการนี้เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตปัจจัย ในปฏิสนธิขณะอรูปขันธ์สี่เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินรี่ห้าเป็นสหชาติปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุสามประการเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัย เป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามและวิญญาณเป็นสหชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะธรรมสิบสีประการนี้เป็นสหชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ ทำยม28ประการนี้เป็นสหาชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตาปัจจัยในติเหตทุกขะปฏิสนธิขณะความเกิดขึ้นแห่งขติยามหาสารพราหมณามหาสารพระบดีมหาสารเทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ8ปประการนี้ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้ เพราะปัจจัยแห่งเหตุ8ประการเป็นอย่างไรคือในชว น, ขนาขณะแห่งกุศลกรรมเหตุสามประการฝ่ายกุศลความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ8ประการนี้ความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุ8ประการเป็นอย่างไรคือในชว น, ขนาขณะแห่งกุศลกรรมเหตุสามประการฝ่ายกุศล เป็นสหาชาตาปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้น ท, life, treball, Wait ท่านจึงกล่า <behind> วว่าแม้เพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในขณะติดใจเหตสองประการไฟอกุศลเป็นสหชาตาปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะอกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในปฏิสนธิขณะเหตสามประการไฟอัพยากฤิ เป็นสหาชาตปัจจัยแก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม mm ้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในปฏิสนทิขณะอรูปขันธ์สี่เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญามัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะ อินสี่ห้เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอนัญญมัญญปัจจัย เ, เป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุสามประการเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญาปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามและวิญญาณเป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัย เป็นสัมปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะทำสิบสประการนี้เป็นสหาชาตาปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งเทพชั้นอรูปาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุแปดประการนี้ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตทุเหตุกะปฏิสนธิขณะ ความเกิดกกาาะะาาขึดาา om, ด้นแ ห, ห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเกิดขึ้นแห่งคตยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลพระบดีมหาศาลเทพชั้นกางมวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุเท่าไรคือในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุหกประการ ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลข้าพติมหาศารเทพชั้นกามาวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุหกประการในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุหประการเป็นอย่างไรคือในชวนาขณะแห่งกุศ ล, ลกรรมเหตุสองประการฝ่ายกุศล เป็นสหาชาตปัจจัยเกียรเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม่เพราะกุศลลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในขณะติดใจเหตุสองประการฝ่ายอกุศลเป็นสหาชาตปัจจัยแกียรเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม่เพราะอกุศลมูลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในปฏิสนธิขณะเหตุสองประการฝ่ายอัพยากฤต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 เป็นวิปยุตปตปัจจัยในปฏิสนธิขณะทำสิบสีประการนี้เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญาปัจจัยเป็นนิจญาปัจจัยเป็นวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะรูปขันธ์สี่เป็นสหชาตปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิจญยปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจัยในปฏิสนธิขณะ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 เป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะทำสิบสองประการนี้เป็นสหชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นสัมปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะทรยี่สประการนี้เป็นสหชาตะปัจจัยเป็นอัญญมัญญปัจจัยเป็นนิสยปัจจัยเป็นวิปยุตตะปัจจัย ในทวิเหตุุกะปฏิสนธิขณะความเกิดขึ้นแห่งคติสมบัติมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุหกประการนี้ในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเกิดขึ้นแห่งคตยะมหาศาลพราหมณ์มหาศาลฆ่าบดีมหาศาลเทพชั้นกลางวจรมีได้เพราะปัจจัยแห่งเหตุหกประการเป็นอย่างไรคือในชวนาขณะแห่งกุศลกรรม เหตุสองประการฝ่ายกุศลเป็นสหชาตปัจจัยแกเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้เพราะกุศลโมลเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในปฏิสนธิขณะที่เป็นญาณวิปยุตความเผยขึ้นแห่งคติยะมหาศาลพรามณ์มหาศาลขหาดีมหาศาลเทพชั้นกามวจรมีได้เพราะปัจัยแห่งเหตุหกประการนี้ คติกรถาจบ7กรมมกถาว่าด้วยกรรมกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมก็ได้มีแล้วกรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกรรมไม่ได้มีแล้วกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมก็มีอยู่กรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกรรมไม่มีอยู่กรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมก็จักมีกรรมได้มีแล้ว แต่วิบากแห่งกรรมจักไม่มีอดีตกรรมกรรมมีอยู่วิบากแห่งกรรมก็มีอยู่กรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งกรรมไม่มีอยู่กรรมมีอยู่วิบากแห่งกรรมก็จักมีกรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งกรรมจักไม่มีปัจจุบันกรรมกรรมจักมีวิบากแห่งกรรมก็จักมีกรรมจักมีแต่วิบากแห่งกรรมจักไม่มี อนาคตกรรมกูสุลกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกุสลกรรมก็ได้มีแล้วกูสลกรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกูสลกรรมไม่ได้มีแล้วกูสุลกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกุศุลกรรมก็มีอยู่กูสุลกรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกูศุลกรรมไม่มีอยู่กูสุลกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งกุศลกรรมก็จะมี กุศลกรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกุศลกรรมจัก abei, ไม่มีกุศลกรรมมีอยู่วิบากแห่งกุศลกรรมก็มีอยู่กุศลกรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งกุศลกรรมไม่มีอยู่กุศลกรรมมีอยู่วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมีกุศลกรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งกุศลกรรมจักไม่มีกุศลกรรมจักมี วิบากแห่งกุศลกรรมก็จักมีกุศลกรรมจักมีแต่วิบากแห่งกุศล ก, ก, กรรมจักไม่มีอกุศลกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งอกุศลกรรมก็ได้มีแล้วอกุศลกรรมได้มีแล้วแต huh. ่วิบากแห่งอกุศลกรรมไม่ได้มีแล้วอกุศลกรรมได้มีแล้ววิบากแห่งอกุศลกรรมก็มีอยู่อกุศลกรรมได้มีแล้ว แต่วิบากแห่งอกุศลกรรมไม่มีอยู่อกุศลกรรมได้มีแล้ววิปากแห่งอากุศลกรรมก็จกมีอกุศลกรรมได้มีแล้วแต่วิบากแห่งอกุศลกรรมจกไม่มีอกุศลกรรมมีอยู่วิบากแห่งอกุศลกรรมก็มีอยู่อากุศลกรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งอกุศลกรรมไม่มีอยู่อกุศลกรรมมีอยู่ วิบากแห่งอกุศลกรรมก็จักมีอกุศลกรรมมีอยู่แต่วิบากแห่งอกุศลกรรมจักไม่มีอกุศลกรรมจักมีวิบากแห่งอกุศลกรรมก็จักมีอกุศลกรรมจักมีแต่วิบากแห่งอกุศลกรรมจักไม่มีกรรมมีโทษได้มีแล้วกรรมไม่มีโทษได้มีแล้วกรรมดําได้มีแล้วกรรมขาวได้มีแล้ว กรรมมีสุขเป็นกําไรได้มีแล้วกรรมมีทุกข์เป็นกรรมไรได้มีแล้วกรรมมีสุขเป็นวิบากได้มีแล้วกรรมมีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็ได้มีแล้วกรรมมีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่ได้มีแล้วกรรมมีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่มีอยู่กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้ววิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จักมีกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากได้มีแล้วแต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจักไม่มีกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็มีอยู่ กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่แต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากไม่มีอยู่กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จะมีกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่แต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจกไม่มีกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจกมีวิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากก็จะมี กรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจากมีแต่วิบากแห่งกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากจากไม่มีกรรมมรราที่เจ็ดจบ8วิปสะะัสสกถาว่าด้วยวิปาัาสเหตุเกิดขึ้นเหมือนในสูตรข้างต้นภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปัาสความหมายรู้ผิดจิตวิปัาสความคิดผิดทิฏฐิวิปัาสความเห็นผิด สประการนี้สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาส4ี่ประการอะไรบ้างคือ1สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาส ในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าอัตตาสสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้แหละณสัญญาวิปลาสความหมายรู้ไม่ผิดณจิตตวิปลาสความคิดไม่ผิดณทิฏฐิวิปลาสความเห็นไม่ผิด สประการนี้ณสัญญาวิปลาสณจิตตาวิปลาสณทิฏฐิวิปลาส4ประการอะไรบ้างคือ 1. นสัญญาวิปลาสณจิตตาวิปลาสณทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง 2. นสัญญาวิปลาสณจิตตาวิปลาสณทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์สาสัญญาวิปลาส นจิตตวิปลาสณทิฏฐินะวิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าไม่ใช่อัตตาสนสัญญาวิปลาสณจิตตวิปลาสณทิฏนฐะิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งาม 4. พิกษุทั้งหลายณสนะัญญาวิปลาสณจิตตาวิปลาสณทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้แหละเราสัตว์ผู้ถูกมิฉาทิฏฐิทำลาย มีจิตฟุ้งซ่านมีสัญญาผิดมีสัญญาในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมีสัญญาในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมีสัญญาในสิ่งที่ไม่งามว่างามสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดอยู่ในเครื่องประกอบของมานไม่กเกษมจากโยคะประสบกับความเกิดและความตายท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏก็ในการใดพระพุทธเจ้าผู้จุดประกายให้แสงสว่าง จะเด็ดอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นพระองค์ย่อมประกาศธรรมนี้ให้จัดถึงความดับทุกข์สัตว์เหล่านั้นผู้มีปัญญาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นกลับได้ความคิดเป็นของตนเองได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเดือความไม่เที่ยงได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่ไม่งามเดือความไม่งามยึดถือสัมมาทิฏฐิพ้นทุกข์ทั้งหมดได้ วิปัสสติประการนี้ผุ้คนพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ kers, ละได้แ ล, ล้แลวก็มียังละไม่ได้ก็มีบางประการละได้แล้วบางประการยังละไม่ได้สัญญาวิปัสสตจิตตวิปัสสตทิฏฐิวิปัสสตในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงละได้แลว้วสัญญาในสิ่งที่เป็ ets, ทเปนทุกข์ว่าเป็นสุขยังเกิดขึ้นจิตในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็ยังเกิดขึ้น ทิฏฐิวิปลาสละได้แล้วสัญญาวิปลาสจิตาวิปลาสทิฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่อัตราว่าอัตตาละได้แล้วสัญญาในสิ่งที่ไม่งามว่างามยังเกิดขึ้นจิตในสิ่งที่ไม่งามว่างามก็ยังเกิดขึ้นทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามละได้แล้ววิปลาสหในวัตถุสองละได้แล้ว วิปรลาสองในวัตถุสองละได้แล้ววิปรลาสี่ยังละไม่ได้วิปรลาแปดในวัตถุสี่ละได้แล้ววิปรลาสี่ยังละไม่ได้วิปรลาสกถาจบ